น้ำคือชีวิตโครงการหลวงอินทนนท์เป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนแต่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ อีกทั้งโครงการต่างๆในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยังคงต้องการน้ําเพื่อใช้พัฒนาในด้านต่างๆต่อไปกรมทรัพยากรน้าได้สนองแนวพระราชดําริในการดําเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่โดยดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าพร้อมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ตําบลบ้านหลวง ในปีงบประมาณ 2,558 ถึง 2,561 โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวทั้งสิ้น 1,006 เมตรและขุดปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำประชากรได้รับประโยชน์120ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์ 1,250 ไร่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านบริเวณดอยอินทนนท์ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ท, ที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2522ณโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่14ปางหินฝนจังหวัดเชียงใหม่